หนึ่งพระพุทธเจ้าข้ามโอคะได้เพราะไม่พักและไม่เพียรวงเล็บเปิดยี่สิบหกมกราคม2551ห้าห้าบเอ็ดในวงเล็บสองวงเล็บปิดเมื่อวานแล้วให้พวกที่มาเมื่อวานฟังบอกว่าเราเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียรมากๆห้ามพักมีเทวดาองค์หนึ่งเข้าไปที่วัดเชตวันไปถามพระพุทธเจ้า เทวดานิ่งสาคัญตัวเองว่าเป็นพระอริยบุคคลเทวดาก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ําห่วงกิเลสนั่นเองถามพระองค์หมดกิเลสได้อย่างไรคล้ายคลยศึกษาเปรยียบเทียบฉันก็พ้นมาด้วยวิธีนี้นะท่านพ้นด้วยวิธีไหนพระพุทธเจ้ารู้ว่าเทวดานั้นมาด้วยความกล่างท่านก็เลยสอนมวยเข้าให้ท่านบอกว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ แกล้งชมนะความจริงมันจมทุกอยู่แหละแล้วนึกว่าตัวเองไม่มีทุกบอกว่าท่านผู้ไม่มีทุกเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาฟังแล้วเหมือนถูกชกดั้งจมูกนะต่อยลูกคางงงไม่พักนี่ไม่แปลกแต่ไม่เพียร น, นี่แปลกใครๆก็ต้องเพียรแต่พระพุทธเจ้าบอกท่านข้ามภพข้ามชาติได้เพราะท่านไม่พักแล้วก็ไม่เพียร เทวดาก็อมแอมอมแอมขอให้พระองค์ช่วยขยายความสักหน่อยท่านก็ขยายความแบบมีทีเด็ดอีกนะท่านบอกว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะฟูขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอฆะด้วยวิธีนี้เทวดาเลยบรรลุธรรมพวกเราฟังเหมือนเทวดาบรรลุไหมพวกเรายังไม่บรรลุต้องขยายอีกเพื่อจะบรรลุ การที่พักอยู่เนี่ยหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปถ้าพักอยู่แล้วบรรลุได้นะหมูหมากาไก่มันบรรลุไปหมดแล้วหรือคนที่เขาไม่ได้ภาวนาเขาก็บรรลุไปหมดแล้วแต่ตรงที่ไม่เพียรอยู่นี่คำว่าเพียร น, นี่นะก็คือการปฏิบัติด้วยความอยากความจงใจคำว่าเพียรคือความปรุงแต่งฝ่ายกุศลพวกเราที่เป็นนักปฏิบัตินี่เรียกว่านักปรุงแต่งฝ่ายกุศลสิ่งที่พวกเราทาคือการบังคับกายบังคับใจ สังเกตดูเวลาเราคิดเรื่องการปฏิบัติสิ่งที่เราทำคือบังคับกายบังคับใจมีสองอย่างเท่านั้นแหละอย่างคนที่ฝึกทำอานาปนาสติฝึกหายใจใช่ไหมหายใจมาตั้งแต่เด็กๆไม่เป็นอะไรไม่เหนื่อยพอมาคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บกำหนดลมหายใจแล้วอึดอัดหายใจไม่เป็นปกตินี่บังคับลมหายใจจะเดินจงกรมก็ต้องบังคับท่าเดินนะเคยเดินมาแต่เด็กไม่เป็นอะไรวิ่งก็ไม่เป็นอะไร เวลาเดินจงกรมก็ต้องเดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาบังคับตัวเองจิตใจเคยฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างดีบ้างร้ายบ้างก็จะให้มันดีอย่างเดียวหาทางไปควบคุมมันไปบังคับมันจะต้องดีอย่างเดียวต้องสุขอย่างเดียวต้องสงบอย่างเดียวนี่เรียกว่ามีความเพียรความเพียร น, นี่แหละคือความปรุงแต่งฝ่ายกุศลรากเงาของมันก็คืออวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายอากุศลนั่นเอง ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะข้ามโลกได้ต้องไม่มีพักไม่พักหมายถึงไม่หลงตามกิเลสไม่เพียรหมายถึงไม่บังคับตัวเองหลวงพ่อพูดง่ายๆว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งนั่นแหละให้รู้กายให้รู้ใจอย่างที่เข้าเป็นถ้าเราไปเพ่งเอาไว้นะคือการบังคับตัวเองเราลืมกายลืมใจก็คือเผลอไปนั่นไปพักแล้วไปพักอยู่กับภพบกับชาติทั้งหลายฉะนั้นในเครื่องหมายคําพูดเพียนไปแบบไม่มีความเพียร คำว่าเพียนไม่ใช่แปลว่าบังคับตัวเองคำว่าเพียนหรือคำว่าสัมมาวายามะเนี่ยนะหมายถึงเรามีสติขึ้นมานั่นเองทันทีที่เรามีสติจะเกิดวิริยะเกิดสัมมาวายามะโดยอัตโนมัติทันทีที่มีสติอกุศลที่มีอยู่จะถูกละอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นมากุศลที่เกิดแล้วก็จะเกิดบ่อยขึ้นการที่อกุศลไม่เกิดกุศลเกิดนี่แหละเรียกว่ามีความเพียร ความเพียรไม่ใช่การบังคับตัวเองนะความเพียรเกิดจากการมีสติมีสติปุ๊บเรียกว่ามีความเพียรหลวงปู่มั่นเคยสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดมีสติก็มีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรปิดเครื่องหมายคำพูดท่านสอนมาจากการปฏิบัตินะตรงเป๊ะเลย